ร, ราตไรพิดกษ์ฉบับประชาชนเล่มที่13าประสูตรที่สี่โปตาริยสูตรสูตรว่าด้วยโปตาริยะคฤหบดีพระผู้มีพระภาคประทับนนิคมแห่งแคว้นอคุตตราปะชื่ออาปณนะโปตาลิยะคฤหบดีเข้าไปเฝ้าในขณะที่ประทับพักผ่อนในเวลากลางวันณโวนไม้แห่งหนึ่ง เมื่อปราัยกันพอสมควรแล้วตรัสเชิญให้นั่งแต่ครหาบดีโกรธที่เรียกว่าครหาบดีจึงนิ่งซะต่อเมื่อตรัสอีกถึงสามครั้งจึงประท้วงว่าเรียกตนเช่นนั้นไม่สมควรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอาการเพศเครื่องกําหนดหมายของท่านเป็นอย่างของครหาบดีโปตาลิยะตอบว่า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 อาศัยการไม่โกรธขับแค้นใจละความโกรธขับแค้นใจ 8. อาศัยการไม่ดูหมิ่นท่านละการดูหมิ่นท่านเมื่อขรือหบอดีขอให้ทรงอธิบายทั้ง8ข้อจึงตรัสอธิบายแต่และข้อโดยวางหลักว่าตนก็ไม่พึงติเตียนตนเองได้ผู้รู้พิจารณาแล้วก็ไม่พึงติได้